ถ้ายังตาบใดมีผู้พูดมีผู้ฟังอยู่ก็แจงว่ายังจะมีคำสอนอยู่ถึงทั่วลูกชั่วหลานหลัง <c oughs> ตาก็มีอาชีพก็ว่าได้เพราะมันเป็นบุญการทำพระเทศนาไหม่เป็นบุญ ผู้ฟังก็ธรรมสภาวันใหมเป็นบุญเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเป็นการทำดีจึงเป็นเรื่องที่เราควรที่จะประกอบววารุขึเนมากับชีวิตของเรามีสมัยขัางพระเจ้า มีพระอาหารหันต์หลายรูปที่เป็นพระชีนายศกโดยทอดทิ้งไม่บอกไม่สอนผู้คนพระพุทธเจ้าก็ตำหนิผู้ใดทำแต่ประโยชน์ตนไม่ทำประโยชน์คนอื่นแสดงว่าไม่มีประโยชน์อะไร ผู้ใดทำแต่ประโยชน์คนอื่นไม่ทําประโยชน์ตนก็ไม่เป็นประโยชน์ส่วนผู้ใดทําประโยชน์ตนเองทําประโยชน์คนอื่นบ้างานั่นแหละถือว่ามีประโยชน์ต่อโลกเรื่องนี้จึงเป็นธุระของเราให้มาเอาธุระนี่บ้าง <c oughs> เมื่อเราบวชมาแล้วต้องเอาธุระ ธุละของเราอย่างน้อยต้องมีสองอย่างคันธาธุละศึกษาไต่ถามกบคิดฟังนี่ว่าคันธาธุละได้ยินได้ฟังมากมากเป็นพูะหู่สู่เช่นพระอนุนเนี่ย ในว่าคันธาธุละตอนที่สองคือวิปัสนาทุละตามความเพียรมิจติตามคำสอนนั้นนำมาประกอบเหมือนที่เราสวดตามมาบะหังมิจี้เนี่ยน่เป็นหน้าที่ของเรา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 ก็เลยมันลึกซึ้งสวยหมายนั่นมีหลายคนถ้าเป็นโยมก็มีอะไรหลายคนจำไม่ได้องค์ข้ามนตรีก่อนๆคือใครหลังนะเอาข้ามมตรีก่อนๆจากเปรมจาาเม่ น, นี่เป็นใครลืมไป แต่พระสงฆ์ที่สวดไาอยู่รุ่นเดียวกัาเขาเดียวกันก็ห่อนสภาพไปกันเกือบหมดแล้วรุ่นสวนโมกใหม่ๆสวดบทนี้เรามันลึกซึ้งมันทับประทับใจจึงมาเป็นทุระของพวกเราเอางานนี้ มันก็มีอยู่จริงมีสูตรที่เป็นเป็นหลักสูตรที่แน่นอนที่สุดเพราะสูตรนี่ยเราม า, า, าดูในสมัยต้ น, ต, นต้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าประสอนสูตรเนี่ยสูตรสติปัฏฐานเนี่ย ไม่ได้สอนสูตรอื่นสมัยนั้นยังไม่มีก็สงมากเอาสวด น, นี้สอนมีสติเรียว่าสติปัฏฐานนั้นที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสูตรของชีวิตทุกชีวิตเลยเรียนให้จบจนเกิดพระอรหันต์ขึ้นไปในแปดเก้าเดือนเนี่ย มีเรื่องเดียวเท่านี้หนึ่งพันสองรอห้าสิบลูกนะยังไม่มีวิไหนอะไรที่มากมายยังไม่มีสังฆกรรมมาลายเงา่างบัญญัติขึ้นทีหลังเมื่อมีพระสงฆ์จำนวนมาก แต่ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่บอกว่าเธอจาเป็นพิกสูมเถิดทำไว้ใหนเราตัดไว้ดีแล้วทำไว้ไหนก็คือเนี่ยสติเนี่ยไเป็นธรรมทั้งวินหนถ้ามีสติมันก็รักความชั่วถ้ามีสติมันก็ทำความดีถ้ามีสติจิตมันก็บริสุทธิ์มันเป็นทั้งธรรมทั้งไว้ไ น, นไม่ได้แยกกันเลย เราชั่วทำดีท ำ, ดทำจิตบริสุทธิ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปนในตัวต่อมว่อไหนเราตัดไว้ดีแล้วมีแล้วมีสติดูแลตัวเองจนได้เป็นพระอรหันต์ก็เพราะเรื่องนี้กันสมัยก่อนเกิดพระอรหันต์หนึ่งพันสองสิบรูปจาก เป็นเดือนแปดถึงเป็นเดือนสามเนี่ยมันมีหลักฐานขนาดนี้เราไม่ต้องลองเลยสงสยัยเราเรื่องนั้นก็เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรากำลังทำอยู่นี่อมันเป็นเรื่องเดียวการไม่ใช่คนละเรื่องเลยอันเดียวที่ว่าทำตัดไปดีแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว มันอยู่ในชีวิตของคนคือกายคือใจนี่แต่และวควมชั่วก่นแล้วได้ที่กายที่ใจทำกวมดีก็ทำได้ที่กาที่ใจนี่มันพิ่มแล้วไม่มีใครเห็นตัวเราถ้กตัวเราต้องไม้เชื่อใครให้ทำลงไปอย่าเกียจคาน มีความเพียนมีความบากบาันก่นไม่ไม่บรรลุในถึงที่ควรบรรลุก็ อ, อย่าโทษถอยเมื่อยังไม่แจ้งก็ในสิ่งที่ควรทําไม่แจ้งก็อย่าเพ็นย่อโย่อนแม่เลือดเนื้อชีวิตเราจะปูพังไปก็ตามเหลือแต่นหนังหุ่งกระดูกก็จะไม่ทิ้ง ให้มีความมั่นใจแน่วแน่เก็ดขาดลองดูใว้ชีวิตให้เต็มที่เรืองนี้ลองดูแล้วองินเราก็ใช้มามากแล้วชีวิตของเราใช้กันมามากแล้วบางทีเป็นพ่อคนแม่คนเรื่องลูกเรื่องหลานเต็มบ้านเต็มเมือง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 ตัดสื้ออตัดสื้รูแล้วออกจากพระโอษฐในวันเป็นเดือนหกนั้นแต่ก่านไม่มียานไม่มีสติเราได้ดล่อนทั้งเที่ยวไปกับสงสารเป็นเนกหชาติสงสารคือความหลงความโกความรักความชังผูผูแผลบเรียกว่าสงสารหลงแล้วหลงอีกเรื่องเก่า เราทุกอีกเรื่องเก่าโกรธเร้วโกรธเดกเรื่องเก่าเรืบอกวัดฏฏะสงสารเกิดดับเกิดดับในานามรูปแบบนี้เรามีสติเห็นแล้วเราเห็นแล้วองคเรือนทัองบอกของเจ้าระหักได้แล้วโยอดเรือนเราก็ลื้อแล้ว จากที่เป็นสังขารเปลี่ยนเป็นวิสังขารจากความหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ความรู้นี่ความรู้สึกตัวนี่เป็นวิสังขารความหลงเป็นสังขารมันเปลี่ยนได้อยู่ควมทุก์เป็นสังขารควมรู้สึกตัวเป็นวิสังขารในสังขารนั่นไม่มีวิสังขารไม่ต้องไปหาหน้าที่ใดเป็นวิสังขาร กองเรือนก็หักแล้วมันหลงก็รู้แล้วความหลงก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวรูดแล้วหักแล้วรื้อแล้วแต่ยังมีซากมีอะไรอยู่หันต้นไม้ ย, ยังมีรากอยู่รู้แล้วรู้อีกมันก็หมดน่ะเมื่อกาลที่เหนือฉลาหอใตนี่แต่ก่อนเป็นป่าพงป่าญ้าคา โดยนี่ไม่มีแล้วเพราะเพเพะเอาออกเรื่อยๆเอาออกเรื่อยๆจากที่ป่ายะขาป่าพงมันก็เป็นอันอื่นไปแล้วจากความหลงกลายเป็นความรู้ไปเสียแล้วจากความทุกข์กลายเป็นความรู้แล้วป่ายะขากลายเป็นป่ายางไปแล้วใช่ไหมไม่ใชี่น้อยเป็นป่าไม้ไปแล้ว เรากเกิดอะไรที่มีประโยชน์ต่อแผนเดิมได้ไม่มีโทษอันความหลงมีแต่มีโทษรวมทุกข์ก็มีเกิดโทษบีบเบนตนบีบเบนคนอื่นถ้าไม่หลงมันรู้แล้วก็ไม่บีบเบนตัวไม่บีบเบนคนอื่น นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าจิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่คำสอนของเราตถาคตจิงใดไม่เป็นไปที่เบียดเบียนตนและคนอื่นนั่นแหละคือคำสอนของเราตถาคตมันก็ไม่ชื่อนี้ถ้าเรายังเบียดเบียนเราอยู่เราก็เบียดเบียนคนอื่นได้ เราจะพูดดังนี้พูดแล้วพูดอีกต้องไขคุณแจแค่โซกันตรงนี้มันจึงจะหลุดออกไปมันข้องอยู่มันติดอยู่เขาก็มีอาสาท้าพอจะในความหลงไม่หลงก็หาเรื่องให้หลงบางทีไม่มีหาซื้อมาอันที่เป็นความหลง ขโมยเอาก็มีอันที่เป็นความหลงเพื่อจะได้ความหลงวางดีไม่มีมโกรธก็เรื่องที่ให้โกรธมีเหมือนกันพูงแต่งไปมาเลาลองให้นี <c oughs> ่เป็นสังขารเราได้สอนแล้วเนะี่ย มันหลงถอนความหลงเป็นความรู้แล้วก็เริ่มจากจุดนี้อย่าประมาทตรงนี้นความหลงมันฟรีเอาประโยชน์จากความหลงอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนั้นเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดได้ในกายในใจเรานี่ ได้ว่ามีทุลักกันทุกคนเรื่องนี้เป็นภาระกันทุกคนถ้ายังมีความหลงอยู่แสดงว่ามีทุละอยู่อย่าโทษทิ้งทุละเสียได้มีความหลงก็อาจจะมีความทุกข์ควาโกรธความลูกต่อไปเป็นบาปอกุศลไปเป็นพพเป็นชาติไป ถ้าเรามีความรู้จึตตัวก็จบลงตรงนั้นแล้วเหมือนดับต้นเหมือนดับไฟเสีอเต๋อต้นลมถ้าเราไม่ดับเองจะไปให้คนอื่นเป็นไปได้ยากเหมือนอนุมานไปไม่เมืองลังกาอนุมานลบกับทศกัน เคยได้ยินไหมเรื่องพลักษณ์พรามทศกัณฐ์เนี่เป็นกองทัพใหญ่ไปเทยใหใ่ทางใดภูเขาพังเป็นลาบไปเลยแต่หานุมานนี่ไม่เป็นกองทัพไม่มีบริวารผงดิงไม่กี่ตัวแต่ลบกับทศ ก, กณักกณฐ์ชนะทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์นัมนยิงหันมุมานที่แคนะอนมุมานนี่เอาใส่ตัวเองจนทศกัณฐ์นั้นยิ่งใหญ่แต่เอาหัวใจไปไปกับฤาษีไปช่วยไปเขียนไว้กับฤาษีอนมุมานทราบเรื่องนี้ไปขอหัวใจทศกัณฐ์จากฤาษีตามเรื่องนะ ก็เอาสอนเฉียบหัวใจของทศกัณทศกัณก็แ้เลยแล้วหัวใจไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวนี้ยเอาไปเขียนไว้ที่ไหนหัวใจของเรา่ะบางทีไปเขียนไหวกับความรักของชังก็เขียนไหวกับลูกกับหลานไปเขียนไว้กับบ้านเรือนไปเขียนไหวกับทรัพย์สินแสดงคาร์มีไหมถ้าจิงเหล่านั้นผิดอะไรไปก็ ใจเดาะเสร็จแล้วความรักของฉังเกิดขึ้นเรียวงหัวใจเดาะเดาะเพราะความรักเดาะเพราะความชังหลอกเพราะความปาัสสาวะเชียงใดไม่ได้เชียงนั้นมีบ้างไหมถ้าใครไม่มีหลอนตาใครมีมาแล้วหัวใจเดาะใครมีมาแล้วเพราะเอาหัวใจไปห้อยไปเขียนไว้กับอันอื่น แล้วก็ทําของเขาเขาก็เจ็บใจของเราทุกข์ใจของเราโกรธของเราหลงของเราแล้วก็ไปโทษเขาอว่าเขาาทําลายเรามันก็เรียกว่าแพ้หนุมานเลยอ่าโดยที่วหนุมานก็เผาเมืองลังกา คนทั้งหลายทั้งหลายมาดับไฟก็ดับไม่มอดอันหมานวิ่งไปทางใดเนี่ยไฟลุกไปทางนั้นคนโยดับไฟเรื่อยไปดับไฟเรื่อยไปแต่หารู้ไหมว่าไฟมันเกิดจุดที่ใดไฟอยู่ที่ไหนในองค์ในในอันในอันอานุมา ไฟหันุมวานเกิดขึ้นที่ใดที่หางหันลมหวานก็หัวเราะอยู่โอ้มันจะยากอะไรล่ะไฟเนี่ยที่มันไม่เมืองหลังกามันอยู่ที่หางเรานี่เองต้องให้ใครมาดับดอกหันลมวานก็เอาหางที่มีไฟมาอมป่าั๊บเดี๋ยวก็มอดทันทีเลยใช่ไหมเราจะมีรถดาวเพลิงมาดับมันก็ยังไม่มอดเพราะไฟมันยังมีอยู่ อะ้วไหนไฟอะไรที่มันทําให้เดือดร้อนทุกวนันนี้มันอยู่กับเราเราคนถึงคนนะมีภาระอยู่ที่นี้ <c oughs> มีปัญหาอยู่ที่นี้ก็ดับมันเย็นสนิดจะอ่ากองเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วลิขหจรเราก็ลื้เสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพปี่เลยปงแต่งมันหน้อีกต่อไป สิ้นไปแล้วสิ้นพบสิ้นชาติถึงนั้นไปแล้วเป็นอิสระพระอุปคุตหลอยลูกที่สำเร็จตั้งแต่เป็นหนุ่มๆพระหนุ่มพระทัพทัพละมันละบุตรมาขอไปมนะัจํน <c oughs> ะจำมา <c oughs> สำเร็จเป็นพระหาร นี่แต่เป็นนมนมตัวเจ้าก็เอามามาใช้บางทีก็ต้องพระเจ้าออกมาตักเตือนไม่ใช่หรออย่างพระบุคคลเนี่ยเป็นพระหันต์ตั้งแต่เป็นนมทิ้งสงไปเลยไม่อยู่กับสงตัวเจ้าก็เอามาให้มาเป็นภาระรับเป็นภาระดูแลการก่อสร้าง สมัยพระเจ้าโศกมหาราชทำนุสนอมบํมบลงพุทธศาสนาสร้างวัดห้าลอยวัดต้อ ง, อ, งอุปคุตเป็นผู้ไปดูแลเฝ้ารักษารัดบาอาลามในงานต่างๆเพื่อลงโทษมีไหมในงานบนต่างๆมีมีโหปุคุตไหมรู้จักไหม โอ้โหปคุตนทําไว้ในงานต่างๆบุญบ้านบูนวัดบูนที่ใดแม้แต่แต่งงานก็เอาอุปคุตไปอยู่หอไว้เพื่อให้รักษางานให้เรียบร้อยเพราะมันอุปคุตนี่เป็นผู้ทิ้งสังคมไปอยู่ในป่าผู้เจ้าเลยให้มาเฝ้างานต่างๆเราเลยเอาหอปคุตไปรักษางานต่างๆ ทุกวันนี้มีมาตั้งแต่นู่นนอกจากนั้นก็พระพัดเราจำมาได้ด่อก็เลยเสนอตัวเมื่อเป็นพระหลังแต่นมแล้วหางานของสงฆ์ที่ต้องทำก็เลยเป็นเสนอตัวเองเป็นพระ นวักกรรมก่อสร้างกติท่านอง์ใดล้วกติอันไหนมันสุดโทมพระพัฒละนจำนามบุตรเสนอเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้การก่อสร้างซ่อมแซมปฏิสังขน นอกจากการกสร้างกติแล้วสลาแล้วเป็นพระเป็นผู้แจกเสนาชนะถ้าใครไปใครมาเป็นทุลักพระที่ละนี่ไปแจกให้อยู่ตรงไหนสมควรใครจะอยู่ตรงไหนอย่างวัดเรานี่ก็มีมานี่ก็ไปหาใครใครเป็นคนแจกเสนาชนะเป็นธรรมไหน เลือกที่ลักมักที่ชันกันเจก็ให้อยู่ใก ล, ใกล้ๆหัวใจใช่ไหมก็มีหนุ่มน้อยหน่อยก็ให้หัวกลหอวใจออกไปสักหน่อยแลคนนี้ให้เคยก็อยู่เป็นเพื่อนกันสองลูกสามคนให้เหมาะสมกับความปีวิของเติร์ลคนที่มาอยู่นี่มองให้มันเห็น ในสิ่งบางสิ่งบางอย่างเช่นพระอนุนเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงเห็นเนนเห็นสู่จนทานอดอยากยากแค้นอยู่ที่ใดเด็กน้อยจะมาบวชจะมาบวชเป็นผู้ปกครองของเนนน้อย เก่งมากพระอนุ์เนี่ยจะมาบวชมันคนทุกข์ยากลำบากคนอินเดียเนี่ยจะมาบวชบวชแล้วก็บกครองมีชื่อเสียงดังๆอยู่หลายรูปรูกสิตธ์พระอนุ์สำเนน <c oughs> สังกิจจะสำเนนได้บรรลุตั้งแต่ตัวแน่อน อ, อน เราสังเกต จ, จะหลายลูกที่เป็นเนนมรรลุธรรมเบื่อนั้นเราก็ต้องช่วยกันจริงๆอย่าทอดทิ้งกันเว้นจากการทะลวิวาทกันเล็ดขาดให้มีความเมตตาตั้งไว้ในใจอย่ามีคติไดๆมันจะช่วยการมรรลุธรรมได้ถ้าทำใจให้ให้ให ดีมันก็มีส่วนที่ทําให้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายมีฉัธามีศีนสํารวมบ้างไม่พูดพล่าไม่หกมุ่นไม่คุกคลีกันแม่จอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมูด้วยจด แต่งชีวิตข็เราให้พอหมอะพอสมกับกาลเทศ ะ, ะหลายๆอย่างที่เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่บ่าจะเดินจงกรมทั้งวันทั้งนั่งสมาธิสร้างจาังหวะแต่ใจเล่าร้อนอารมณ์้างมันก็ไม่ใช่แล้วเวลาขยันก็ทำไปเพื่อเพื่อเพ่ลาเจ็ดท่าก็นอน ไม่ใช่อย่างนี้ต้องเป็นสถามันปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบ <c oughs> ัติออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอบป็นสถามันอย่าคุมร่ายคุมดีภูผูแพร่ไม่ความคิดพาทำไม่ใช่ต้องมีความเพียรมีศรัทธาเป็นหลัก มีสติเป็นการศึกษาเข้าไปมีความรู้รอบรอบหลักลเทศาอะไรให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเราอันนี้ต้องหาออกเองไม่มีใครสอนเราต้องหาส่วนประกอบเรียกว่า <c oughs> คิดสดี อย่าจนในทฤษดีอยู่ในหัวใจเราเนี่ยแต่งได้มา้ายเป็นดีได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกได้เววราวาชลาปาลมีวาชนาคือเขียนให้มันดีวาดลงไปวาดายวาดใจแต่งลงไปแต่งกายแต่งใจนิสัยใจคอมันแข่งขันกันได้วาชนาเนี่ย อย่าไปโผกอย่าไปพูดว่าปมวาสนาแข่งขันกันไม่ได้ไม่ใช่เลยแข่งกันได้อเอาอย่างคนดีเอาอย่างพุทธเจ้าเอาอย่างาาพระสาวกเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เอามาประกอบไม่ท้าเทวดาไม่ใช่ว่าแต่รมพระปฏิบัติ เวลาปฏิบัติหน้าวูดบูดขมเคียดถ้าเกินบางทีมันทุกข์ับปฏิปทาทำด้วยความยากลำบากมันก็รู้มันรู้ทำไร้ยางต้องเป็นสุขขปฏิปทาทำด้วยความสดชื่นโบราณทำอะไใจดีแย้พวายใจล่ยแย้ไหมได้ใจล่ไปแก้ไหมเนี่ย เวลาเดึงไหมอ่มันไม่ขาดมันจะบาดมือเข้าก็เลยให้แช่ไหมเพื่อจะได้บาดมือเราบอลไหมหมดมือค่อยๆทำไปถ้าใจดีก็ใช้ไฟแล้อยู่แล้วโบาๆก็ได้หัดเอาความยากกันล่ะยิ้มในความยากยิ้มได้มือภัยมีฝึกตนอย่างนี้เช้มแขยงในความม่อนแอ ให้ได้มันร้อนให้เย็นอยู่ในความร้อนให้ได้ไม่ทุกในสิ่งที่มันทุกได้ไม่หลงในสิ่งที่มันหลงได้หนักตนสอนตนจากนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่หลวงตาว่าจะไปดูก้ามาไปหวานว่าเขามาปฏิบัติธรรมกันแล้ว <c oughs> เรายังไปรู้เลย <c oughs> เห็นเขามายืม ก็ยงใช่ไม่สวยที่วัดเนี่ยใช่ไหมเราไม่รู้อัวจะไปดูเขาสักหน่อยไอยหนอจะพาไปไปแล้วกลับมาแต่วันแรกไปดูสักหน่อยวันนี้ก็อยากพักผ่อนนักหน่อยนะมาเมื่อคืนนี่ถึงเที่ยงคืนก็ก็ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่ ตอนอนกลางวันอยู่ทั้งวันละ่ะมันไม่หลับนอนทังร้อนวันเลยเลยมันไม่หลับจะไปสักหน่อยเนะาะเอาสมควรเจยเวลาสมควรละกราบประพุมกัน